เมื่อเดินทางมาเรียนลังกาแล้วเีนก็ะั่งจบหลักสูตรในลังกาไปแปลงบมาที่ลังกาอีกไปถึงข้ลังกาขัขอลังกอีกและถึงแม้จะอาบวเป็นลังกาวงเหมือนกันแมวถึงแม้ลังกาวงก็อยู่คุณประเทหาเหิรนตังรอกว่าปีแล้วแมาต้องบวชใหม่ก็เลยบวชใหม่เรียนจบแล้วจะกลับจะกลับยังไงท่านสามไม่ครบจะไปตั้งลังกาวงยุคสามได้ยังไงล่ะไม่ได้ทีต้องนิมนต์พระลังกามาด้วย2องค์หลอกสององค์ที่มีทพระเกินศึแล้วมาทำหน้าที่อุปชัยพระชุดนี้แหละครับ เป็นลังกาวงชุดสุดท้ายที่มาประเทศไทยได้เดินทางมาถึงก็แยกยา้ายไปทําหน้าที่ตั้งลังกาวงยุคสามบางองค์ก็มาอยู่อุทยาบางองค์ก็ไปอยู่พิษณุโลกบางองค์ก็ไปอยู่สวรทรขลุ่บางองค์ก็อยู่เมืองหน้าเมืองแค่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นเลเมืองเชียงใหม่ไปอยู่ที่วัดป่าแดงที่เมืองเชียงใหม่วัดป่าแดงกับวัดอุโมงค์งที่เมืองเชียงใหมยย่นี่แหละไปตั้งสํานักลังกาวงมาที่ น, นั่นตั้งข้อลังกีพวกเก่าบอกว่าพวกเก่าไม่ไหวแล้วเขาจะเอาเขาจะบดหมายั้งมาสุด ก, กระบดหมาที่สํานักฉันถึงจะถือเป็นผู้ใหม่ได้ มาอีแทกันอีแบบนี้อีแล้วก็ก mm ็มาก็บวชกใหม่อหแล้วก็บวชกใหม่ก็ว่ามันไปตามเรื่องสิบวชกใหม่ว่าม <Yeah, S 1> mm ันไปตอนนี hmm. mm. mm. ้แหละเป็นสมัยเดียวกับพระเจ้าบรมไตรโลกันนาทรงเสด็จออกพันโหที่วัดจุฬามณีที่พิษณุโลกบวชในตำหนักพวกอัการวงชุศรานี้พระเจ้าบรมไตรโลกันนาบวชอยู่แเดือนที่วัดจุฬามณีแล้วก็เป็นการบวชที่สาคัญนะมีข้าราชการเจ้าในบวชเสด็จโดยราชกุศลหนึ่พันกว่าคน แม่ใ้บวชจันยาวัดจุรามณีน้าโกจะแค่ไปแรกโกติไม่พออยู่นี่บวชที่วัดนั่นอ่ะวัดจุฬามณีนนท่านก็คนเน่ยเจาา้าหนาทการบวชหมดแผ่นดินอ่ะให้ราชโอรสเป็นาบรมราชปากครองชั่วคราวเวลานั้นเมืองไทยน่ะตั้งเมืองหลวงมีสองแห่งวิทยา ก, กับพิษณุโลกพิษณุโลกน่ะตพระม้ากระสับไปอยู่เมืองหลวงก็ทานองตั้งเป็นสักกันชิงเป็นกระสัอุปราชเน่เป็นบรมราชปกครองเป็นโอรสเขตโอรสขาไม่จบอมดใต้โลกน้าอยู่บวชที่วัดจุรามณี นี่เป็นลังกาวงยุคสามโซนทางเชียงใหม่นั้นตรงกับแผ่นดินรรพระเจ้าติโลก ร, ราชพระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราชท่านก่อฟื้นฟูศัพท์นาเป็นการใหญ่มีการทําสังขารนาโดยพระมหาธรรมทินนเทระเป็นสมุขที่วัดมหาโพธารามคือวัดเจ็ดยอดพระองค์ได้สร้างวัดเจ็ดยอดขึ้นโดยทายแบบปราพุทธยามาสร้างแล้วแล้วก็ได้สร้างวัดป่าแดงสําหรับให้เป็นที่อยู่ของ ลังกาวงชุดที่สามนี้มาอยู่นี่พระเจ้าพิโลก ร, ราช์พระ อ, องค์เองได้สละราชสมบัติ อ, ออกไปขนวดอยู่ชั่วเวลาหนึ่งในลังกาวงชุดใหม่นี้แล้วเมื่อกลับมาสู่วิราชแล้วก็เด็ดพยายามที่จะจันโลงลังกาวงชุดสามนี้ให้แพร่หลายตลอดลานนาไทยต่อมาในแผ่นดินพระเมืองแก้วพิโลกปนัตดาศิราชหลานของพระเจ้าพิโลก ร, ราตเด้วยพิโลกปนัตนาศิราชหรือพระเมืองแก้วลังกาวงนี้ได้แพร่หลายไปถึงเงมืองเวียงจันเมืองหลวงพะบาง โดยประเทพมงคมคุณมที่สูจชาวลังกาเป็นผู้นํำลังกาวงยุคสามนี้ไปประดิษฐานในประเทศลาวตั้งแต่นั้นมาประเทศต่างๆในโวนภูมก็เป็นลังกาวงสายเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่การละครั้งนั้นนี่เป็นลังกาวงายุคสามที่มาแพร่หลายนะมาในโวนภูมิสาส า, สามสมัยเดียวกันที่เข้ามาในโซนภูมิเนี่ยที่เข้ามาในพม่าน่ะมีสองสมัยสมัยกุกังและสมัยอ่าธารมจีรีปิฎกพรที่เข้ามาเมืองไทยเรามีสาสมายัยสมัยพ่อคู่ทางกาแหง แล้วก็อีกสมัยหนึ่งก็สมัยทุมณะสุขโขทัยอีกสมัยหนึ่งสมัยพระเจ้ารายโลกกันนะร่วมจะร่วมยุค ก, กับพระเจ้าปิโลกราชของเชียงใหม่ครับนี่จะเรื่องลัทธิลังกาวงที่ปรากฏแพร่หลายมาในสวรรณภูมิอขอจบปาคาถาวันนี้เพียงเท่านี้สาําหรับหัวเรื่องของการสแสดงตาคกถ า, าเกี่ยวกับประวัติศ า, ศาสตร์พุทธศาสนาฝ่ายเสนาว่าที่เป็นลัทธิลังกาวงที่มาปฏิาสัทธในสวรรณภูมินี้ องปาศกได้ขยายความโดยละเอียดแล้วซึ่งไม่จำเป็นจะต้องสรุปแต่ว่าในนมีท่านสาธุชนได้ถามปัญหามาสองข้อด้วยกันถามมาว่าในอภิธรรมมสังฆะที่กล่าวว่าผลของมหากุศลได้แก่มหาวิบากแปดอเหตุตุกาาวิบากแปด ด, ดวงอยากทราบว่าการทำการทกุศลอย่างไรให้ผลเป็นมหาวิบากและการทากุศลอย่างไร ให้ผลเป็นอเหตุกาวิบากนี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอภิธรรมที่มีอยู่ในอภิธรรมวัตสังกัเรื่องอเหตุสุกจิตกับมห า, าวิบากจิตที่กล่าวว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ทําลายด้วยไฟได้วยน้ําด้วยลมเพราะเหตุใดจึงต้องถูกทําลายด้วยสิ่งทั้งสาอย่างนี้ขอทราเหตุทั้งสามอย่างนี้ด้วยขอให้อาจารย์ช่วยที่บายละเอียดด้วย กลาเป็นสอเหตุได้ไนเหตุูกกาวิบากแล้วกุศลทำอย่างไรที่ได้มห า, าวิบากข้อนี้นะครับขึ้นอยู่กับบุพเจตนามุนเจตนาอัปรปราพราเจตนาขึ้นอยู่กับทา น, นวัตถุด้วยประกอบกันเช่นว่าพวกกุศลนี่เป็นเหตุการนะ่ะโดยมากบุพเจตนาไม่แรงไม่แรงพอมุนเจตนาก็ไม่แรงอัปรปราพราก็ไม่แรงทำอย่างสักแต่ว่าทําทําอย่างรู้สึกว่าไม่ให้พอ อ, อพอใจ ทำอย่างที่มีกิเลสเข้ากลัวเข้าสมใจไม่ได้ทําำละหมดจดในทางจิตใจเพราะฉะนั้นกุศลที่จะได้จึงเป็นกุศลที่เบาบางํานวยพณิเห้ตุกาทําอย่างที่ว่าตัดแต่ว่าทำทำอย่างเสียไม่ได้อย่างนี้แหละทำนวยวิบาให้เป็นเหตุกาไม่ใช่ว่าไม่ได้ซะเล ย, ย ไ, ได้เหมือนกันถึงไม้จะทำอย่างประทศทำอย่างแบบดันนั้นก็ได้แต่ว่าได้อย่างไอเหตุกาวิบาสนี่ไม่แรงแต่ว่าถ้าอายากไม่ผลเป็นมหาวิบ า, าสก็ต้องทำตั้งปุพเพเจตนาดี มุ่งแก่เจตนาก็ดีอัป ป, รปราราภะที่ขึ้นมาพิรายก็ชื่อนอกชื่นใจใส ด, ดุดมสดาย่างนี้แม้กระทั่งวัตถุที่เป็นทานบริจาคก็เป็นวัตถุที่ดีพอสมควรอย่างนี้กล้วก็ผลเป็นมหาวิบากยกตัวอย่างพระเจ้าพญาสิราชัญญาพระเจ้าพญาสิราชัญญะเดิมเป็นนิจญาตมิช้าพิธีไม่เชื่อเหลงมักผลหลงสวรรค์ในทานในเชื่อหมดถือว่าชาติหน้ามีมีตายแล้วศูนย์เป็นอุเชอุเชติอุเชทติโดยตรงละตอนนี้ข้าวหนึ่งข้ากุมารกับศุ แต่มาโปรดกระทั่งเกิดการโต้วาทียอมแท้ก็คุมระดัจบแล้วยอมยอมเชื่อว่าชาตหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงแล้วก็ตั้งหน้าทําบุญให้ทําบุญไม่พยาพญาสีดาทาอย่างเสียไม่ได้ทํำอย่างแต่ว่ารมคือไม่ได้ให้ด้วยมือเองไม่ได้ให้ด้วยความเคารพทางวัตถุก็เป็นของเลวตามเช่นว่าเป็นข้าวต้มด้วยห้าผักนองไปเสี้ย น, นี้ไม่ดีเลยแม้กระทั่งหมูหม้ายยังกินก็ออกมาทําให้ท่าเสียให้อย่างเสียไม่ได้มารก มากเลคนครัวของพญาปยาติทําหน้าที่หุงข้าวใส่บาตรท่าทุกเช้าเนี่ยให้ทานในความเคารพนะกำลังให้ก็ให้ในความเคารพครั้งให้แล้วก็มีความชื่นหนกชื่ในใจในผลที่ตัวทําไปตั้งใจดีแม้จะไม่ใ ช, ใช่สมบัติได้ของตัวหรอกเขาให้ทำเขาทำในความเคารพต่อมาทั้งสองคนตายลงพระวรมปฏิอรหันขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์พระวรมปฏิขึ้นมาเที่ยวเอไปถึงสวรรค์ทั้งจะตุม ไปเจอวิมานอยู่หลังหนึ่งเยว่าเสรีสะกาวิมานทำไมข้างในเหลือเทวดาองค์นั่นจมจ่ออยู่คนเดียวอะบริวารไม่มีเลยในวิมานนะ่ะฮะเข้าไปดูใกล้อ้อนี่พญาพญาสีนี่นะมันทำไมนั่งอยู่คนเดียวล่ะเขาบอกว่าเออมหาราชพระองค์นั่นเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นนิยตสามิชาที่ผีไม่ใช่หรือเพราผลอะไรหรือพระ อ, องค์นี้มาอยู่ในวิมานแะล้วฉันจะตัวมหาราชิกาอย่างนี้พญาพย า, าสีบอกอย่าอึใส่อึมาพระคุณเจ้าผมอะไรเขาเลิกเกินนั่เนี่ยเป็นเทวดาไม่มีบริวารเลยอยู่คนเดียววิมานล่างนี่อะ ผมอ่ะคายที่ผ์นี่จะตางไม่ใช่ทิพยนั้นแล้วเพคาะราะกุมารกัจจศแต่พอผมให้ทานด้วยปางให้ดีความให้เคารพอ่ะไม่ได้ให้หดีตนเองอ่ั้ำให้ไปแล้วก็ไม่ดีใจแต่ทานแล้ววัตถุที่ให้ก็เป็นของเร็วๆเ <c oughs> พราะฉะนั้นอ่ะก็อวยผลอ่ะอวยผล อ, ผล อ, ผลอผลย่างนี้แหละค่ะคุณอยากการุณาอย่าไปนําไปบอกเจ้ามนมุษย์ไปชมพูทวีปนะไอครับ <c oughs> อ่าถ้าคุณมาติไปเที่ยวเนเรื่องชั้นสูงไม่อิดไปบนดาวดึงแม่เจ้าโว้ยวิมานที่ไหนนะ สวยงานแล้วเกินบริวาร น, นางฟ้าเทวดามีหมดเลยเป็นบริวารหมดดูเจ้าเขาวิมารอันี้มันมารบคนโคตรพ ย, พยาพยาศินี้จะทำาุอะไรมาทั้งวัอยู่เี้ยบอกว่าถูกแล้วบุญอะไรทันทั้ทงรบถูกอันนั้นไม่ใช่ของผมแต่ผมให้ด้วยความเคารพขณะให้ก็ให้ด้วยเคาพรพตอนให้ก็ให้ด้วยความพอ อ, อกพอใจทั้นให้ไปแล้วก็มีความยินดีในคนที่ตัวทําถึงแม้ว่าผมบอกอันนั้นไม่ใช่ของผมแต่ก็มาสวยวิบากนี้นี่เห็อะไรอย่างว่าไอ้เหตุตุก่าวิบากพยาพยาศิทำบุญนย่พยาพย า, พยาศิหน่าให้ผ ม, มในไอ้เหตุกา เป็นบริวารจตุมหาราิการเป็นเทวดาชั้นต่ำๆและเป็นเทวดาที่ไม่มีวิไม่มีมานด้วยอันนี้มีมานเลยไม่มีบริวารด้วยส่วนมารนั้น่ะให้มุนเจตนาดีกุพเพเจตนาปอดีอปาราภาปอดีพร้อมเลยได้สวยผลเป็นมหาวิบากอยู่ดาวดึงเนี่ยสูงกว่าเพราะฉะนั้นไอ้เฮตุกะวิบากจะไม่ส่งคนเป็นซึงดาวดึงหรอกไอ้เฮตุบาส่วนไอ้เฮตุกะวิบากส่วนกุศลน่ะอย่างแรงนะส่งให้แค่เป็นบริวารจตุมหาราชิการนีกแหละบางครั้งอาจจะเป็นส่งเป็นคุมาเทวดาเป็นพระภูมิเจ้าที่ หรือว่าเป็นพวกยักษ์หน้าคนทันพวกนี้เป็นได้แล้วก็ถ้าเป็นขภูมก็มาใช้เป็นขภูมิชนิดดีนะขภูมชิดที่มีไม่มีบริวารด้วยนะพระภูมมีชนิดทันดีที่มีนมหาวิบาศก็มีนะขปูมาที่ได้น้หาวิบาศก์เป็นพระภูมก็มีแต่เป็นขภูมที่มีบริวารนีมีสักว์ใหญ่มีอานาจอย่างมีอนุภาพมากเหมือนกันในข้อหนึ่งข้อที่สองมถามบอกว่าเพราะอะไรโลกต้องมีทิพย์หายไปลมบ้างไฟบ้างน้าบ้างอันนี้ตอบได้อย่างเดียวครับเป็นธรรมนิยามประกมรรมนิยามของสัตวในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง เขาว่าบอกว่าตักรูบางเหล่าน่ะยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง<อ>ถ้าหากว่ายิเรศโทะมากเกินไปโลกก็จะคิดหายด้วยไฟนี่เห็นเห็นชาติแล้วโทะมันร้อนนี่ใช่ไหท่านสงฆ์บอกถ่าหาว่าคนในโลกนี้มากมากในโทะเกินไปห ม, มักงบแต่เรื่องโทะเกินไปโลกก็จะคิดหายด้วยไฟ<อ>ถ้าหากว่ามักมากในโลภาเกินไปก็ต้องคิดคิดหายด้วยลมมากมากในโมหะเกินไปต้องคิดหายด้วยนะอันบอกท่านอย่างไรแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็าต้ถือว่า อาโลกแกชิพหาไดินน้ำไปรวยไฟรวยลมใหนือหน้านเ่ป เ, นานนเป็นไปตามกฎของธรรมนิยามของโลกที่ชิพหายดนไฟมันจะอื่นกาโลกโคจรไปชนดาวพระเคราะเข้าโลกดาวพระาะาระาะชนเปีเ่ยนเกิดเป็นไฟไฟกัดล่างโลกหรือมิฉะนั้น่อโลกหมุนเวียนไปเกิดเบี่ยงตัวเองรอบวิถีโคจรไปเจอวิถีโคจรอื่นซึ่งมีพระอาทิตย์จักรวาลอื่นมีพระอาทิตย์บางจักรวาลมีพระอาทิตย์สาดวงบางจักรวาลมีเจดวงบางจักรวาลมีสิบสองดวงถ้าเอืรนโคจรจะพัดจกร ไปนอกเขตที่มันเคยโคจรไปเจอจั ก, กรวรานีพระอาทิตมะลุกโลกลุกเดือไฟบางครั้งบางคาพรอาทิตเป็น จ, จั ก, กรวานอื่นโคจรที่วิถีมันพักก็มาในวงจั ก, กรวานของเราโลกก็ต้องลุกเดไฟเพราะฉะนั้นในคำพีไตรภูมิปิฏฐานปิฏฐานอะไรข้างหนึงพานาบอกว่าถ้ามีสมัยหนึ่งที่โลกอะชิฐานเดืไฟถ้าอาทิตย์สองดวงเกิดขึ้นแหมร่อนลุบไมหมดแต่ว่าคนยังอยู่ได้สัดแตงอยู่ได้ถ้าอาทิตย์สมดวงเกิดขึ้น ต้หมากาไม้เริ่มซกเซาพืชพันธุ์พืชผักเริ่มตายแต่ว่าน้ำถ่า ย, ยังมีคนก็ยังพอฟูกซี่อยู่ได้พอพระอาทิตย์ดวงที่สี่เกิดขึ้นน้ําเริ่มแห้งแห้งหมดแล้วฟููคนอยู่ไม่ได้แล้วตายแล้วสีดวงพระอาทิตย์ดวงที่ห้าเกิดขึ้นโลกเป็นกุ้มเป็นควันหมดเป็นควันดวงที่หกเกิดขึ้นเกิดเซนภูเขาอะไรต่างๆเกิดลาราแตกแยกพอที่เจ็ดเกิดขึ้นไฟลุกขึ้ใหม่ว่างแนละ้ย มี่ไฟลโลกจะทิพหาเด็ดไฟไปอย่างนี้แต่ได้ฟังว่าความก็เกิดจากเจ้าโลภะปูสะโมห์นี่แหละเป็นเหตุท่าจะว่าตึงต่อแล้วอะไรยังมีท่านผู้ใดสงสัยบ้างไหมหรือท่านผู้ใดที่อยู่ในนี้จะขึ้นมาถามเองก็ได้มีหมายถูกะะนะเดี๋ยวคุณเสียนตอบอ่าไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเพราะว่าที่สุดก็ต้องการความดับทุกข์เป็นเบื้องตายทางนั้นแต่ข้อแตกต่างนะอยู่ไอ้ไอ้ตอนี่จะถึงความดับทุกข์เนี่ย ธรรมหายานต้องการที่จะให้ทุกๆคนนะแต่เปรนโลกเป็นทุากาขเจ้าสป็นอเถ้าก็มีโอกาสที่จะช่วยข้ามขนสัตวให้คนจากพวามสงสารได้มากเพราะน่นาอุทิศติข่ายิงเลงพุทธภูมิเป็นใหญ่เล่นเป็พุทธภูมิการเล่นเป็พุทธภูมิเป็นใหญ่นี่ไม่ได้หมายความว่าทางทเลรว่าเราไม่มีนะครับเทรวาเราก็มีแต่ว่าเราไม่ได้พูดเป็นบทตายตัวว่าคนทุกคนควรมุ่งพุทธภูมิเราก็ไว้กลางๆใช้ก็ตามจะปากนักปฏิกรภูมิก็ได้แล้วแต่ใจชอบ ปรารถนาอาราธพุทโธก็ได้แล้วแต่ใจชอปรารถนาพุทธภูมิก็ได้แล้วแต่ใจชอบเราเปิดโอกาสอย่างนี้สุนัขหายานเน่ยเขาย้ำอาราธพุทโธมาย้ําเป็นพิเศษเพราะว่าอย่าไปปรารถนาพุทอื่นเลยปรารถนาพอื่นเน่ยเป็นการใจแค่ควรจะปรารถนาภูมิเดียคือพุทธภูมิจะได้ช่วยกันช่วยโลกช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์ไปมากๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือความพ้นทุกข์ความดับทุกข์เป็นจุดหมายปลายทางเหมือนกันสามารถที่จะแต่ชันในธรรมะเนี่ย ปัญหานี้เป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับคุณสเสถียรคือถามว่ามีวิธีการศึกษาพระพุทธาศาสนาอ ย, อย่างไรจึงได้แตกฉานทั้งทางฝ่ า, ายเถรวาทและมหายานอย่างนี้นคุณสเสถียรก็เลยเป็นมหาเลยไม่มีประเรียนไม่มีนักธาอะไรทั้งนั้นแต่ทำไมถึงได้เก่งการอย่างนี้อันนี้คุณสเสถียรคงจะตอบได้ดีเกี่ยวกับชั้นท่ครับชั้นท่าที่สำคัญที่สุดในนี้คือิทธิบาลครับเพราะว่าเรื่องทางเรื่องข้อความต่างๆเกี่ยวกับพพุทธศาสนานั้นน่ะ รู้สึกว่าตัวเองน่ะฝักไปมาตั้งแต่ยังอายุเจ็ดขวบชอบตังเนี้ตตั้งแต่ตั้งแต่เด็กถ้าจะว่าไปแล้วต้องมีต้องเกี่ยวกับปุถพาริการนั่นกันเป็นเป็นปุถพาริการมาแล้วกันไม่ชอบฝักไปในทางอื่นชอบคําแต่ปักไปในทางศาสนาอ่านสำหรับตาราทางพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กแล้วตัอายุเจ็ดขวบแล้วอา่านปฐมอะสมโพธิกรถามาหาไวท่านนอยชาดกตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วก็ติดอกติดใจขนขวา้าศึกษามาเรื่อยด้วยตัวเองมาหมดแล้วเพงจะมาศึกษาพระทีมหา ย, ยานเมื่อโตแล้วเมื่ออายุ มาศึกษาหนที่มาหาใหญ่ตีอายุสิบแปดนะเพราะว่าจบพอจบการศึกษาขั้นมัธยมยังไม่จบปริญญ์ผมความรู้ภาษาไทยแค่มัธยมห้าเองไมไ่จบมอ้ี่ไม่อยากเรียนจบมหกนะเพราะว่าต้องการเล่งออกมาเรียนภาษาจีนก็จะอ่ า, า, านนังสือไบด็อกมหาใาญพอมาเรียนภาษาจีนในศตสามตีก็อ่ า, า, านหนังสือไบอกมหาใหญด้วยตัวเองแล้วก็ศึกษ า, า, ามารีเอนกรทั่งปัจจุบก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังไ ม, ไ, ม ไ, ไม่ได้จบการศึกษารครับ อ๋อรัติลังกาวงเลยครับไม่ไม่ไม่เข้าเลยครับรที่ลังกาวงน่ะมีแต่ปรากฏอย่างเนี้อ่ะมีข้าหน้าที่สุนีผู้อักหนึ่งจากรังกา <ปะ S 1> เดินทางไปเมืองจีนมีไปบวชที่สุ น, นีในเมในเมืองจีนแต่ยังไม่ทิ้งจับรประดิษ า, านเป็นลังกาวงถ้าพูกถึงว่าเทศที่สุนีแบบเทรวา้วก็มีในเมืองจีนนะตอนฉันดินเราเป็นไทยเช่นนั้นแล้วเมื่อมาตั้งกรุงเทพทําไมจึงเลือกอีกอย่างในเมืองประเทศสยามเราล้วบัดนี้กลับเรียกมาไทยอีกสาเหตุอะไรคาว่าสยามมันจะคนไทยเจของไทยเรือกไม่ใช่ เป็นคําที่ชาวอินเดียเรียกวกเราเหรอเรียกมา ก, ก่อนที่คนไทยจะมาอยู่ถ้า ไ, ไมซ้ําคําว่าสยามนะเข้าใจมาจากคําว่าออ่สยามะหรือคําที่แปลว่าสามาะที่แปลว่าทองนั่นเองท่านินทองพูดง่ายๆเป็นมงคลนามที่ชาวอินเดียเขาเรียกคํานี้ก็จะเข้าใจมาจากคําว่าสามะแล้วมาเป็นกลายเป็นสยามไปภายหลังนะฮะอีกท่านหนึ่งถามบอกว่าอขอรบวนได้กรุณาเขียนคถาพระเก่งของที่เดช ใส่บนกระดานําให้ด้วยจนจบและขอให้ให้อ่านให้ฟังสักหนึ่งครั้งเพื่อรักษาไว้เองว่าต่อไปจะสูญหายพราะคาถาประจําำคดงนะครับคําว่าประเทศสยามประกาศใช้เรียกเมื่อปีพศเท่าไร่สยามเนี่ยผมไม่ได้กล่าวมาแล้วว่าชาวอินเดียเรียกมาตั้งแต่งมนานแล้วเป็นพันพันปีแล้วแต่ใช้เรียกในทางราชการเข้าใจว่าจะเรียกมาตั้งแต่เป็นทาการที่ทัดรัฐรัฐบาลภายใช้นะ เข้าใจว่าในแนดิพระจอมเกล้าเจ้ายจ อ, อยู่หัวเพราะเรามีสัญญาติดต่อ ก, กับต่างประเทศมากในแผ่นดินนั้นเพราะสาเหตุอันใดจึงได้ประกาศเรียกชื่อเชนนี้ก็เพราะว่าสาเหตุต้องติดต่อ ก, กับต่างประเทศมากพรังก็ต้องรู้จักเป็นเมืองไทยเพราะจะเรียกคนไทยแต่โบราณก็บุ้งคนชาติอื่นในเอเชียนี่แหละเรียกชื่อของประเทศของตัวเอาชื่อเมืองหลวง ม, มาเรียกเรียกว่ากรุงเช่นวะ่ากรุงศรีอังกยานะแปลว่าเมืองไทยทั้งประเทศกรุอังวฤษหมายว่พาพม่าทั้งประเทศกรุงกรุก็ดีมหมายว่าเมืองมองทั้งประเทศ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 พระวิศวิติมักเกิดก่อนแล้วทําไมในคมพีวิศวิติมักเล่นสี่ยังอ้างคมพีมิริขันปัญหาอ๋อแน่นอนครับมิลิขันปัญหาเกิดก่อนเกิดก่อนพระนักเกษมเนี่ยอายุก่อนพระพุทธโคฆสาจารย์หตั้งหลายร้อยปีนี่ครับพระพาานักเกษมเนี่ยอายุพศสี่ร้อยเศษพระพุทธโฆษาจารย์พศหนึ่งพันเพราะฉะนั้นมิริขันปัญหาเกิดก่อนตั้งหลายร้อยปีแน่นอนแล้วไม่บอกทงสายเลยครับข้อนี้ท่านจิติโตพิคุถามาว่าไป ไปโดนปัญหาที่สําคัญสําคัญเกี่ยวแก่หนังสือที่ผมบรรยายหรือเรียบเรียงแล้วอามาจะเขียนปัญหาเหล่านั้นมาถามจะอนุญาตให้ถามได้ไหมถามได้ครับเมื่ออาจารย์ไม่อนุญาตก็แล้วไปอนุญาตแล้วจะเขียนมาถามว่าได้ที่ไหนกรุณาให้บอกเลขที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่ให้รู้ด้วยก็เขียนมาได้ที่มาหามากุษราชวิทยาลัยวัดวรนิเวศเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทางเป็นตรงที่ผูกพั่นั่นเพราะผมต้องไปบรรสอนอยู่เป็นประจํานะครับ อคําคว่า น, นิพานแปลว่าดับจากกิเลสไม่มีเชื่อหรือว่างเปล่าแต่มีสุภาษิต บ, บทหนึ่งว่า น, นิพานนางปรมังสุขขังเพราะว่า น, นิพานเป็นสุขอย่างยิ่งและอะไรเป็นสุขเพราะนิพานแปลว่าดับหรือว่างเพราะไม่มีอะไรจะเป็นสุขจึงเป็นปรมาสุขขังสิครับถ้ามีอะไรเป็นสุขแล้วก็ยังไม่เวทะยิบสุขมาเป็นเวทะยิบสุขก็ยังเกี่ยวกับขันยังมีขันอยู่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปรมาสุ ข, ขังไม่ใช่แล้วเพราะเหตุที่ว่าไม่มีอะไร ที่จะมาเป็นเวทนาสมวยเข้าไปสวยดิแหละจริงเป็นปรมาสุกถ้ายังมีเวทนาตัวเข้าไปสวยอยู่ตราบใดยังไม่นับถือเป็นป ร, ม า, ปรมาสุขตราบนั้นคํานี้เป็นสำนวนความมนุษย์เราเนะี่ยติดตุกนะันนักถ้าพระองค์จะขี้ไปตรงๆวันสานิพานอ่ะดับเวทนานะเวทนาของอนุปาติเศสน า, านะิพานธาตุคำว่าดับเวทนาในี่นี้หนะมายถึงอนุปาติเศสะนะครับไม่ใช่อนุปาติเศษะอุปาติเศษะเนี่ยเรายังมีจิตมีใจยังสวยอารมณ์อยู่เรารู้ว่าสุขแค่ไหนสุนิพาน แต่ว่าอนุปาทิเสสะที่หมายถึงความว่างความสงบอย่างยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีเวทีจิตศุกพ้นจากเวทีจิตศุกแล้วนั่นแหละจึงเป็นบรมสุขอันนี้เป็นคำนวณเพราะมนุษย์เราสิุกถ้ามราคูดอย่างนี้เราไม่อยากจะได้ทานเราไม่เข้าใจนี่มนุษย์เราอะไรก็ชอบเอาความศุกร์ไว้ก่อนจึงตรัสปิที่ไปฟังว่าไม่นิพานน่ะเป็นบรมสุกนะบรมสุกรตัวเป็นบรมสุกจริงๆคือว่าเมื่อเป็นอุปาทิเสสะที่ยังมีเวทนาอยู่ก็เป็นบรมสุขรทันตาเห็นแล้ว จิตกิจติเอาในพังในอารมณ์ก็สุกนักหนาแล้วคราวนี้เพราะอะ อ, อนุปาทิเสสะดับพุ่งปันจะขันได้ยิ่งบรมโสุกใหญ่เพราะเหตุที่ไม่มีขันทุกอย่างนี้ครับท่านผู้หนึ่งถามมาว่าเออ่คําว่าสภาพักตูเวียดมีความหมายอย่างไรอธิบายให้ทราบด้วยคําว่า ส, สพาพันธุ์มาเลเซียมีความหมายอย่างไรอธิบายให้ทราบด้วยคล้ายคลึงกันแหะครับ อาสาพันมาเลเซียน่ะหมายถึงการรวมตัวกันอย่างลหลวมๆของบรรดารัฐซึ่งเคยเป็นเอกราชมา ก, ก่อนเช่น ว, ว่ารัฐบา ง, ง, งรัฐเชื่มกับสิงโปโดยรั้เป็นเอกราชและภายหลังก็ามายอมรวมกับมาเลเซียแล้วก็มาแยกกันอีกแล้วนี่หรืออย่างบ ร, รูไนมีตัรตานปกครองเป็นเอกาธิปัตย์อยู่ในความพิทักษ์ดูรายรังสิทธิ์พออังกฤษปล่อยมือให้มล า, ายูเป็นเอกราชเขาเมื่อมล า, ายูเขาต้องการจะตั้งสาพันมาเลเซียขึ้นมา แล้วก็มีหนังสือเวียนไปถามความเห็นบรรดาชนชาติต่างๆทุกพภาษามาเลยูเช่นพวกแคว้นบรูนหรือสราวัตเป็นต้นอแคว้นเหล่านี้เขาก็ยอมเป็นการรวมกันอย่างหลุนหัวมีอุปมการ์ร่วมกันเศรษฐกิจการเมืองร่วมกันด้วยปรพันธิมารเรเซียส่วนสาภาพโซเวียตนะหมายถึงว่าบ้านแคว้นต่างๆทึ่วัตเสียไปตีได้ยึดได้เป็นเมืองขึ้นแล้วรวมกันเข้าในสาภาพเพราะมันตีได้หลายแคว้นหลายรัฐหลายเมืองได้เกินคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษา รัสเซียมาตีได้เมืองขึ้นก็เลยเอามารวมกันด้วยวัฒสธรรมโซเวียตต่างกษากาาพรนมาเลเซียอย่างนี้ท่านสมุขแข้มพระละรมโมถามมาว่าพุทธศาสนาได้แผลเข้ามาเป็นครั้งแรกที่นครศรีธรรมราชก่อนหรือว่าที่นครปฐมก่อนและเครเป็นผู้จาดแผ่นดินเป็นครั้ ง, งแรกและเมื่อพอสอนสลายที่นครศรีธรรมราช ไ, ไ, ไม่จะแผลมาก่อนแล้วครับที่ลังกาวงแผลเข้ามานครศรีธรรมราชก่อนเป็นแห่งแรกในเมืองไทยก็คืออย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนานะครับ พุทธศาสนาแบบลังกาวงแบบที่เขาทําทําละกนมามเมื่อพระมุกเจ้าสารกมมพระพุทธมหาราชได้ขามาตั้งเป็นแบบแผนเป็นขั้งแรกทิเมืองนครส่วนพระโถวนาูอุตรนะ่ะเอาเข้ามาตั้งแต่พศ ส, สามร้อยทิมลครประถมก่อนตอนหน้าเมืองนครจะเกิดตอนหน้ามืองลครจะเกิดเมืองนครเพื่อจะมาตั้งเป็นประเทศขึ้นเราลาวลาพศหนึ่งพันลุกแล้วเรียกว่าประเทศตามพระลริงตามพระลริง มีกษัตริย์เชื่อววงใส่สีนิชายปกครองอยู่กษัตริย์องค์สุดท้ายที่พระเจ้าจันทรพนุกเป็นผู้สนับสนุนพุทธศาสนาที่กายลังกาวงเพราะฉะนั้นลั ง, างกาวงจึงเข้ามาเมืองไทยที่เมืองนครศิทธิมราชก่อนต่อพุทธศาสนาแบบพระเจ้าโศกนะเข้ามาที่นครนครปฐมก่อนแล้วถามว่าครั้งนั้นกษัตริย์นครปฐรมตงไครไม่มีชื่อปรากฏในบัติศาสตร์เล่นดศิลาจารึกแผ่นใดไม่ปรากฏชื่อนั้นชื่อนั้นไม่ปรากฏ องคนไทที่ถอยมาจากผื้นแผ่นดินใหญ่จีนนั้นนับถือศาสนาอะไรมาก่อนนับถือพุทธศาสนามาก่อนครับผมได้กล่าวมาแล้วว่านับถือพุทธตั้งแต่สมัยอาณาจักรไอราวพระถมกษัตริย์ทยชื่อคุณหลงเม้าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพุทธในยุคไอราวเพราะฉนั้นคนไทยที่มาลงมาในร้านอินโดจีนนับถือพุทธมาแล้วแต่ไม่ได้พูดแบบรังกายวกอย่างเราหรือนี่นะเป็นพูดเป็นมหายานหรืออะไรก็ไม่รู้ที่กลายไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นๆเตลึงถือผีถือสางเป็นๆกันไปอหะ ก็ถือจะมาอย่างนี้แหละยังไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างเราหรือนี่กันแล้วกันมันจะพูดแบบเราแค่พูดแบบแบบเราเดี๋ยวนี้เ อ, อเคยมีบ้างหรือไม่ว่าพระเถหละในเมืองแต่ฐานในพระตรปิดกและแต่งลงซื้ออะไรไว้บ้างพระเถระในเมืองคั่งในเมืองจีนก็มันครับแล้ไม่ปรากฏครับเข้าใจว่าการศึกษาในครั่งนั้นจะไม่รุ่งเรืองแพร่หลายเพราะฉะนั้นจรงไม่เคยปรากฏพระเถรละคั่งอยู่ในเมืองจีนที่เป็นคนไทยอ่ะแต่งตำหนักตำราพระเทรละไทยเพิ่งมาจับเข็นตำหนักตำราขึ้น แในสมัยอาณาจาักรสุขโขทยัยอาณาจาักรเชียงใหม่คือยุคเราว60ปีปาาี1900เศเป็นต้นมาเราจึงมัมีคันถาภาษาบาลีแต่งกันขึ้นหนึ่งเลขที่205ถามมาถามเป็นปัญหาส่วนตัวบอกว่าอาจารย์เคยปฏิบัติกรรมฐานไหมถ้าเคยปฏิบัติสำนักไหนมาก่อนผมไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเลยในชีวิตไม่เคยเลยถ้าจะมีบ้างก็เห็นจะเป็นคุูทอมสุติกกรรมฐานกันมังนะฮะซึ่งจะต้องมีครูบาอาจารย์ไหนสอน ต่อผู้จิตใจทางสอนอยู่แล้วผู้ทานุสติจะเลยอิจิิสุมากกว่ายึดเป็นผุ้ทำนุสติอยู่ก็นนิอันนี้ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นกรรมฐานก็เป็นผู้ทำนุสติกรรมฐานเท่านั้นเป็นอนุสติเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นจริงไม่ได the ้รืมกับทัはは <t ot? <t ot ้งักหมายทั้งที่มุกรรมฐานเนี่ยลืมกับพผู้จิตใท่นั้นพอที่จะเสนอแนะในการปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักทั้งอภิธรรมที่ศึกษามาแล้วสําหรับหลักทางอภิธรรมนี่นะก็ไม่มีอะไรจะเสนอแนะนี่ครับนอกจากว่า เราศึกษาพระอภิธรรมสังฆะเนี่ยก่อนอื่นต้องปลูกฉันท่าให้แรงไม่แค่นั้นจะเกิดความท้อท้อแทล้การคันท้อ ท, อ ท, อ ท, ทอิ้งไปเสียสองต้องขยันท่องสามต้องขยันอ่านเมื่อขยันท่องขยันอ่านแล้วมีฉันท่าแล้วเราก็รู้เรื่องเองให้เรียนถึงบริเขตหกท่านกท่านก็รู้เรื่องครับไม่ลำบากเลยอภิอภิธรรมยากนะบริเขตต้นต้นหนสอ ง, ง, งสามสามบริเขตนี้ออกบริเขตสีบริเขตในวิถีวิถีสังฆะสีบริเขตนี้น่ะถ้าท่านเข้าใจไปแล้วนะ ต่อไปหุ้นกระป๋อกล้วข้าวปาดจริงๆอ่ะอ่านในตัวเองก็ได้รู้เรื่องมันต้องไปเรียนที่ไหนเลยอ่านในตัวเองก็ได้อ่านคําอธิบายในตัวเองก็รู้เรื่องแล้วลงทุนแค่สี่บริเขตแรกเองอ่ะขยันท่องขยันอ่านหน่อยทานี้เองรู้เรื่องง่ายง่ายครับคุณแก่ดอกขึ้คานอยู่ที่สี่บริเขตนี่พอพ้นสี่บริเขตแล้วง่ายจะไปยากอีกทีก็ขึ้นมหาปัญหานี่ยากปัจจัยยี่สี่เนี่ยยากยากแล้วบริเขตแปดเนี่ยยากหน่อยขึ้นมหาปัญหาปัจจัยยี่สี่เนี่ย อยากพอตัวเลขมันเยอะเขา้าต้องจําถ้าบริเขตสี่พื้นฐานไม่ดีมาก่อนแล้วเรียนบริเขตแปดไม่รู้เรื่องเลยเรียนแล้วก็เบื่อนายทีเดียวเพราะไม่รู้เรื่องเราจะเรียนรู้เรื่องตรงทาพื้นฐานให้ดีซะก่อนเหมือก็ปอกเข็มสีบริเขตธจังเลยนหนึงหนึงสีเนี่ยมันเป็นเข็มสีดอกเข็มสีดอกที่ตอกแน่นแล้วตึกในพางมัดรองครับเข้าใจเรียนยิ่งเรียนยิ่งสนุกเนี่ยพอยิ่งเรียนยิ่งสุขุมลุ่มมืดยิ่งสุขุมลุ่มมืดเราก็ยิ่งภาคภูมิใจเรารู้มากรู้หลักมาก ใครมาล่าเรามันมีจนในปรยิยัติเราเต็มเตมถุงเอาหลักการเอาสภาวะมาจับไล่เราไม่มีจนรับรองประเทศธรรมะคู่เทคคู่ที่ไหนผู่ที่เป็นอ่าปราทิ่เราเต็มที่นั่นรับรองจิ <c oughs> ถ้าเรามีความเข้าใจในหลักอริธรรมดีแล้วแล้วก็สภาวะรู้อย่างนั้นหมดนียครับทิกะทิฏฐิที่มีความหมายว่าไ ม, ม่มีนี้คําสอนในข้อนี้แสดงว่าเป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับใช่ปฏิเสธเหตุปัจจัปยปฏิเสธบุญกรรมใช่ เช่นทั้งที่มีความเห็นว่าไม่เที่างทั้งที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์และก็ปฏิเสธเหตุอื่นๆอีกถึงที่มีเหตุปัจจัยส่วนที่เป็นสังคตรธรรมและอสังคตรธรรมก็ถือเอาว่าไม่มีใช่ไหม้าช่ใช่ถูกแล้วไม่มีนิทานไม่มีบุญคุณบิดามารดาคุณกมณุมารนารามในนาฏิกาพิธีใชนะ่อีกข้อหนึ่งเพ่อนถามบอกว่าตอนที่พวกศาสนาจะเข้ามาสู่เมืองไทยคนไทยเราถือศาสนาอะไรมาก่อนและผู้ที่เข้ามาเผยแพร่นั้นเผยแพ่เดวิตีไหน คนไทยเราจึงยอมรับนับถืออย่างไม่เสื่อมคลายอ่าข้ อ, อนี้นะ่ะคนไทยรับถือพุทธศาสนาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยจะดครับโอ้โหมามนี่ครับพอแล้วนะปัญหาจะตอบไม่หมดนะครับอ่าคนไทยรับถือศาสนาพุทธก่อนที่จะเข้ามาอยู่เมืองไทยคนไทยพ่อกัตริย์ไทยพระองค์แรกที่นับถือพุทธศาสนานั่นคือ กษัตริย์ของอาณาจักรไหหลาวราวปตศ้อ0เสด็จลาวปะะตศคือขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเมากษัตริย์ของอาณาจักรไหหลาวลาวปะะตศ600เสดเวลานั้นไทยยังอยู่ในยุนนานของจีนอยู่เพราะฉะนั้นคนชาติไทยจีนเป็นคนชาติ ท, นทนตี่นับถือพุทธศาสนามากว่าพันปีมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้ไาไหราวที่คุณหลวงเมา เมมาอยู่เมืองไทยถ้ก่อนถ้าถามทุ่ก่อนหน้าพอครับพอครบถ้าถามที่ก่อนหนา้าความจริงการถามปัญหานี่นะครับถ้าหากวา่าท่านผู้ถามมาถามเองเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากดีกว่าที่เป็นมัญหาถามเป็นการอัดในการอธิบายไปในตัวเพราะว่าเราจะเป็นนักเือแพร่ต่อไปเราต้องกล้าไมาโ่โูฟนต้องหัดกล้าอธิบายตโยตตอบเนี่ยัไปเป็นการฝึกไปในตัวเลยจะเป็นประโยชน์ ก่อนหน้าคุณท่านนักถือพุทธถามมาคุณนักถือศาสนาอะไรนักถือศาสนาผีปา่าผีป่าผีเขาเทวานิยมถามบอกว่าเมื่อคนไทยเมื่อคนตายใหม่ๆบุดล้านไปกราบไหว้ศพและขอให้ดวงวิญญาณ น, นั้นจงไปสู่สุคติหรือไปสู่ที่ชอบเช่นนี้ดวงวิญญาณของศพนั้นจะไปตามที่ขอได้หรือไม่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไอ้จะไปหรือไม่ไปไปพิการของคนตายเองเมันถีย อ, อยู่ที่ปากเลยปากของบุดล้านจะไปบอกว่าไปที่เขาที่ชอบเนี่ ถาไอ้ใจคนณนั่นมันทำขั่วตกแล้เขาก็ตกลูกตกเ บ, ส, บ, ส, บ, ส, บสแต่อ่อนวอนจะปากอาใครที่เข้ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แน่ครับตอนนี้แล้วแต่กรรมฆ่าตปัดชีวิตมีไก่เป็ดหมูปลาเป็ น, นปต้นผิดสิ่งที่ว่าทําตานาปีบอดเมื่อเราไม่ฆ่าแล้วทําอย่างไรเราจึงจะได้ได้ผดเหล่านั้นมาเป็นอาหารเราเราก็ไม่ต้องกินเลยสิกินแกลมังสวิรัติอย่างพวกแาทินดูกินแต่ขั่วกินแต่น้ํามันขั่ กินแต่นมเขาก็ลําสานอ้วนท้องคุยทุกคนนี่เมื่อกี้ดูถอดสิท้องคุยแล้วน่ะพู้นี้งถอดยิ่งท้องคุยอ้วนอ้วนอ้วนไม่เชื่อไปดูแผลเป็รัดสะมาหฐานทัมเพลงเลยแผลกระพุ้นอ้วนแผลขอหาทำยายากแขลของมันจะมีก็มีในอินเดียเวลาเนี้ยกำลังอดอยากกันอยู่นะเห็นยัตอนนี้คุณจะมีแผลของหรอกเพราะปกติน่ะแผลกินถั่วกินถั่วนี่แมฟมีโปรตีนสูงกินน้นมกินเนยโปรตีนสูงนั่นแหละเลยลงพุงอ้วนเสียทรงเสียรูปใหญ่ เพราะนั้นอยากัวเลยค่ะเขาก็เลือกข้าวคระนัูจะเป็นอาหารกินนี่นอาหารผักนี่แหละดีที่สุดอยกวกกูนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอขอับจังหวะอาจารย์แป๊บนอยคือปัญหาเนี่ยอาตามาสงสัยมานานเนี่ยคือในฐานะที่อาตามาจะต้องออกไปทําการเผยแพร่าศาสนาเนี่ยสมมุติว่าถ้าไปมีนักเผยแพร่าศาสนาเขาถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่อง ความเชื่อถือในพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมพระสงฆ์นี่เขาบอกว่าจะมีหลักฐานอะไรที่ท่านเชื่อว่าพุทธเจ้าของท่านจริงจเนี่ยอ๋อหลักฐานอะไรท้าพุทธเจ้าจริงจรงมครับเราไปถือเราย้อนถามเขาว่าแล้วแมีหลักฐานอะไรที่พระเจ้าของจริงพระเจ้าอุาขกเน่วน่ให้อพิันให้ดูต่อหน้าได้ถ้าเพระจะาฮวลงมาดูต่อหน้าได้พราจะเปี่ยนต่อนานัราถามก่ามหลักฐานอะไรคือไม่ใช่อย่างนั้นนะหากว่าเาเขาไม่เาไม่ให้เราถามแบบนั้น เขถามจะไม่ทีเ่เรียกว่าให้เราตอบว่าให้เราเป็นผู้ตอบนะให้เราเป็นผู้ตอบเราตอบว่าที่เรารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเขาธรรมะมรถถเขาก็คงปรากอยู่เช่นพระไตรปดฎกตอนนี้ท่าว่าเขาจะถามต่อไปอีกด้ว่าธรรมะนั้นน่ะคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าจะแต่งไม่ได้แต่งได้คนที่แต่งธรรมะที่นี้ตีได้คนนั่นคือพระพุทธเจ้าแล้วท้าทราบว่าคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่งธรรมะไม่ได้เราบอกว่าแต่งได้ลยครับแล้วคนที่แต่งธรรมะอย่างนี้คนนั่นคือพระพุทธเจ้า นอกจากพระตามามาคตมะเป็พระพุทธเจ้าอหนึ่งขึ้นมาไม่พูดผู้แ ต, ต่งใช่นันือผ้แ่องหม่ไปดังนั้นเขาหมายถึงว่ า, ม า, ม า, ายัอายอยางอาจารย์เถียนเนี่ยอาจจะเป็นพระพุทธเจ้ า, ม า, มาได้องค์ใน่อ๋อไม่ได้สิครับถ้าผมจะแต่งธรรมะได้เนี่ยผมต้องลอกฟังง่ายวะลอ ก, ก, น, ลอกน้าลายของพระพุทธเจ้ า, ม า, มาซึ่งเป็นผู้แต่งองค์แรกนา่ยมาเถียนนี่ผมไมมีปัญญาที่จปาจารยักดขึ้นได้หรือมักแตขึ้นได้นี่ที่เราลูกอริยัตสามารถแต่งาธรรมะอีกตัวน่ะจน้าลายธรมะชินนะเล่าเหับ เรากขาเร่มาต่างหากเขาบอกว่าคนคนนั้นาไปชพระพุทธเจ้าเขาโคตรมั่งตอนนคนฉิบเราหดถูกแล้วคนคนที่ต่างนี่หลคนนั้นหละเราเรียกพุทธพล่ะเพราะพุทธาสนนั้นที่จะฉิบอย่างนี้ได้จะเป็นโคตมงไม่โคตมัก็แล้วแต่คนนั้นติดแต่งมะอย่างนี้ได้คนนั้นคือพุทธพาศกสนาที่เป็นศาสนะพุทธคือธรรมะทั้งหมดนี่เป็นเป็นธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมด วันน่เราม่มีปัญญาเป็นทุกหลังนี่ไม่เห็นมีใครบรรัญญาเขยื่องอริยสัจรืปฏิจจสมุปบาหรืออภิธาออกมาได้เลยจำที่ป่าคริสเจ้ามาเท่านั้นแหละอาจจะว่าไปแล้วเอาม า, า, ม า, า, าทามาขยายเั่นั้นแหละใช่ไหมฮะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ตุนกเนากเนิดธรรมะนี่เป็นใครล่ะแล้วล้วอนเท้าก็เป็นใครเขาบอกก็ ค, คนนี่สิไม่ใช่พระโคต ม, มะและเอาเธอจะเป็นโครธรรมะนะ่ะพวกเราถือว่าเป็นเพียงสม่งนิัญญีติไม่สำคัญหรอกแต่คนที่สามารถเขธรรมะอย่างนี้นี่คนนั้นแหละพวกเราถือว่าคนนั้นนหละคือพุทธะ จะขันยลีเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเปะ็นพิเศษก็ไม่ใชพระาอุมะไปทางเธอแต่ทันว่มมาให้จริงธรรมะอย่างนี้ได้คนคนนั้นคือพุทธะที่ฉันเคาวพกล้าไว้ก็แล้วกันก็ลเล่เความเพียงเท่านี้เองกล่าว่าผู้ที่เอาธรรมะนี่เป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ามีจริงครัคือนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะแต่งธรรมะได้จะไม่ใครอาจจะเป็นแบบนี้ปัตตุรุมีอยู่ข้อบมีอยู่ข้อบนี่ท่านที่ทำโบราณคดีศิลาจารุกขุดขึ้นมาเออ ถ้าดูารอ ย, นะยนิ้กท า, ท, า, ท, าที่ขุดขึ้นมาจากพุทธศักระย่าอุ้งฝังอาไว้ที่เมือนกัม บ, บิดละพัดเวลานี้อยู่ที่ของเขาของคือวรรณประพศ์เลยนะครับใช่จะมีพระธาตุที่แท้จริงนะไม่ใช่พระธาตุหิพระภาตุรวดอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของอาบ้านนะพระธาตุพระธาตุที่แท้จริงที่เรากล่าวว่ายัางสนิทใจดิบจริงๆมาก่อนในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปหาอื่นใจที่ไหนเลยจงไปะทั่เขาทองทีเดียวนั่นแหละโบระภาตส่วนนั้น ลักขมาลอินเดียขุดได้ที่ฝังป่าในเมืองกบิลพัดแล้วก็กติดพบในสกูโบราณฝังอยู่ในตลับหลายท่านตลับข้างสุดท้ายจารึกเป็นอักษรไทีรุ่นเก่าที่สุดรุ่นครัง้งพุจารณาจารึกบอกว่าสรีระตัวนี้เป็นของข้าพัจ้าไม่มีอันพวกสัจยะวงเป็นผู้รประดิษฐานไว้คือว่ า, าวสัจยะวงฝ่ายปีคริวันะ่ะปีคริวันทีเป็นชื่อวงสัจยะวงพวกหนึ่งอะ เป็นผู้ได้รับส่วนใหญ่จากอุณาธรรมแล้วก็เอาไปสร้างสกุลบูชาสกุลนี้ฝังดินฝังตาเดินระยะกว่าสองพันปีขึ้นมาขุดพบเมืาา่อต้นรัชกาลที่ห้าแล้วทำไมอินเดียมีหลอดเคยสันเป็นหัวหน้าเปนไมตรลอยดีใจที่ราคว่าต้องการาายาไวษษษ้เอพิพิธภัณฑ์แต่ตอนหลังมีพระไายองค์หนึ่งที่ว่าที่ห้าบารงุงไม่ใช่อื่นการละพระยองค์นี้คือพระองค์เจ้าพิสดารพรงค์เจ้าพิสดารท่านเป็นอัครจะพูด กรุงสยามประจําราชสมัครอยู่ตั้งสิบกว่าทศเศนะมเวลานั้นเลี้ยวที่สุดเลยมันจะว่าไปแล้วเป็นนักเรียนนอกรุ่นแรกที่สุดก็วิษณดาเนี่ยเป็นผู้ไทยประจําประจําสนักเป็นเกมประจําสนักต่างๆมากมายที่ล้างขั้งเบื่อขัดขัดใจกับราการมีห่ารือเหลอะไรก็ไม่รู้บวชบวูที่ลังการอบวชเนไทยบวชลังกาแลเอาขึ้นอิสริยภรสายะสร้างวัดจีดีบูชาบรรจจุในพีดีหมดที่วัดปกุฏตมารามในมังกรอัมและถูกทางเสด็จุโดง ไปเทลุกจุดทุกพระรามุรูปพระธาตุเห่วนี้ถ้าทีหน้ามาวงก็เสนอไปตรอยินเดียบอกว่าควรจะทูนก้าให้พระเจ้าภูมิสยาเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศเอกราชประเทศเดียวที่รับถือพุทศาสนาในเวลานั้นไทอินเดียก็ให้พูดมีหนังสือมากราบูลรัชกาลที่าได้ส่งขยาพิคุณมซึ่งต่อมาเป็นรยายุราชมาปันเดินทางเปพูดต่อแผงต่างพระองค์ ไปอันเชินพระบรมธาตุส่วนนี้มาประเทศไทยระหว่างที่มาในเรือน่ะอาญาอาญาุขุมไม่ใครเชื่อเอ๊พระธาตุแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครนะที่เราเชิญมามันใสในพระเจดีย์กาลใหญ่ทองอ่ะก็ลังลึกสงสายอย่างนี้เชี่วนะอยู่ในห้องเคบินในเรือเนี่ยทันในนั้นพระธาตุสมนี้สมบูกณ์ปริษฐารเต็มชักกำรังสีแฉะสว่างทั่วห้องเลยอาญาสุขุมนั่งอยู่บนเตียงเวลากลางวันตกตะลึงงานไปหมด เวลานั้นน่ะทนายหน้าออของพญาทุกขุมเป็นขุนกําลังจะเข้ามาในสุราษฎรกับพญาทุกขุมเลยประตูห้องเคบินโถเข้ามาเลยยืนอ้าปากค้างมองพระบรมธาตุแสดงควาพิหารอ้าปากค้างมาสองคนเลยเสือรอดถึเป็นแล้วพระบรมาตุก็ถึงเจ้าแน่แล้วส่วนนี้เข้ามาถึงเมือตั้งไว้ว่าระแก้ให้ประชาชนบูชาสามวันแล้วก็เวลานั้นอาพุทธ น, นาชาติรู้ข่าวส่งผู้แทนมาขอคุณแดนคุณแดนจะรักษาไม่ห่า คณะป๋องขมาคณะป๋องลังกาคณะป๋องดี่ปูนเดินทางมากับเป็นการใหญ่ทีเดียวและการที่หะก็แบ่งได้แต่พังเหลือแล้วถึงไปบนันติกไปบนยอดภูเขาทองวันวันพุทธเพราะนั้นโดยหลักฐานโบราณคดีเราต้องมีกระดูกพระเจ้าเป็นพยานพระธาตที่นักโบราณคดียอมรับทุกประการโดยหลักฐานทางสร้างปวัติศาสตร์มีเมืองกัมพูชาตัรเอกตลาดเชื้อเพลิงตะวันนารามโคสิตารามอ่าปุถารามที่เขาจะาอินเดียขุดค้น คนคบฝากอะเป็นมากมายรวมทั้งปติคำท่กูดีที่อยู่พุทธเจ้ายังคบเลยที่อินเดียที่อวานี่เป็นหลักฐานหนึ่ในโบราณคดีทางกรวัติศาสตร์นหลักศีลาจารึกจารึกพระเจ้าอสุเออรจารึกสถาอินเดียสมัยโบราณต่างๆเลยที่เก่าที่พุทธเจ้ามีพอจารึกของพวกศาสนาอื่นในศาสนาพามซึ่งไม่จาเป็นจะต้องมาแยกย่อยพุทธเจ้าในคำพูดใศาสนาพาหมก็่าที่พุทธเจ้า ต่อพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ยังไงต่อสู้กับพระพิามมายัางไรเข้าพรรามใต่อสู้พระพุทธเจ้ามาอย่างไรไปมีข้อความระบุในศาสนาซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาพราหมณ์ระบุย่อนอกจากศาสนาพราหมณ์แล้วศาสนาเชนงระบุพระพเจ้าอีกก็เป็นศาสนาที่เกิดร่วมยุคพระสมัยเดืกล่าวถึงพระสมนาโคดมงี้ยเงี้ยังี้ยเงียเงี้ยเงี้ยเงี้ยี้ยเงี้ยเงา้ยเงี้ยเงี้ยเี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยางี้ยเงี้เี้ยเงี้ยเงีเีเเงียีีเียเงียเเี้ีเงีรเงี้ยเงี้เีบันที้ถึง ภาวะการของพสทธศาสนาในอินเดียนี่พวกกรีกอิตาลีต้องมารับถือคุตตะเขาเป็นฝลังมั่งค่าเขามะพูดถึงพิศศาสนานี่เพราะฉนั้นประมวลหลักฐานต่างๆอังโบราณคาดีประวัติศาสตร์หลักธรรมะแสดงเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีชีวิตอยู่ในโลกจริงและหลักฐานแต่ละยะโฮวาอยู่ที่ไหนเชิญมาให้ดูได้ไหมนอกจากได้คําที่จแกบอกเป็นผู้สร้างโล ก, โลกนี่คือผลจากยะโฮวาแล้วแล้วอยู่ที่ไหนท่ยายะโฮวาเชิญมามีหลักฐานอะไรบ้างเชิญมาทิ นีไหมครับก็ะย้อามเขบ้างสงสัยหครับข้อนี้ยังมีอะไรติดใจไหมครับท่าอิงเจ้าคงนั้นมีอะไรตกดใหมครับโอกาสข่านอาจารย์คือท่นักศึกษามีความประสงค์ที่อยากจะเื่องสื่อบาติศาทางศาสนาที่ท่านอาจารย์ได้แต่งขึ้นถาว่านังสืรอวัติศาของท่านอาจารย์ได้ได้ตีพิมพ์สาเร็จได้หรือยัง ตีพิมทําไมครับตีพิมพ์ออกเปนเริ่มลหรือยังตีพิมพ์ออกไปแล้วหรือยังจเจริญพรตีพิมพ์ออกไปแล้วตั้งแต่พศ2550ครับวันนี้ท่านมีความประสงค์ว่าข่าต่างการอยากจะได้เป็นคู่มืออยากหาในตามท่องตลาดได้หรือไม่ไม่มีในท้องตลาดเลยครับเพราะเป็นคํญญาบรญยายที่ผมสอนสนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงซื้อได้ที่นาวอโนนิเวศห้องจำหน่ายมหาวิุดครับ มีครับบอกเขาว่าคำบรรยายนวัตพุทธศาสนาของผมเจ้าหน้าที่ที่รไล่จดหมายเขากยึดให้ถูกเปน็นขึ้นข้นออกมาภากเดียวนะครับภักหนึ่งมันมีสามภาคที่จะจบะในขณะเดียวกันนี้อาตมาก็มีความประสองค์อยากจะถามอยากจะเรียนถามเรื่องวัฏฏะพุทนายจารย์เหมือนกันตัวจิตประสงค์ของา ก, การนับถือพุทธศาสนาก็มีความประสองค์อยู่ว่าอยากจะหลุดออกจากวัฏฏะ โดย ม, มีมีความเห็นจากนั้นเมื่อหากในการเผยข้่พุทธศาสนานั้นมึ่หากีใครยกมาถามว่าวัตะนั้นคืออะไรออก็ข่าวว่าวัตะนั้นคืออะไรวัตตนนั้นคืออะไรครับจเจริญพรวัตะแล้วก็แปลว่หมุนเวียนสิครับหม <Rules. S 3> นุนเวียนหมุนเวียนถ้าเขาถามขึ้นมาว่าถ้าเขาตีเสาปักขึ้นมาว่ า, าครับ เมื่อหากดังพักขึ้นมาสิ่งที่ดังคืนนี้ส่วนใดเรียกว่าวัฏะตอนนี้เมื่อหากผู้นับถือพุทธศาสนาอยาสะรุดออกจากลัวษตะนั้นจะรู้สี้อย่างไรตีต้องขึนาว่าอะไดีวัฏฏะจะันทร์พรผมจะแก้ปัญหานี้ครับหมายความว่าไงคือหมายถึงว่าเมื่อบคุคคนผู้นับถือพุทธศาสนานั้นครับได้ตกพื้นมีเสียงดังเกิดขึ้นรู้จักว่าเสียงนั้นดังเมื่อหากคำถามว่า คำว่าวัฏจักรในขณะที่รับรู้เสียงนี้ส่วนใดเป็นวัตะเมื่อเราจะออกวัฏจัเราจะกําหนดส่วนนี้ว่าอย่างไรอ๋อถว่าในขณะที่เราตกขึ้นเราจะกํะาหนดเสียงศาสนาปัญญาวานมาส่วนนั้นเป็นวัตจักรนั่นใช่ไหมฮะเห็นกกรูปตกขึ้นได้ยินเสียงนะฮะนี่เป็นปัจจุบันธรรมเอาขณะปัจจุบันบาตานระูปะฮะรูปตานี่ก็เป็นรูปธรรมรูปที่เราเห็นก็เป็นรูปธรมรมเสียงก็เป็นรูปธรรมพัตรูปมากระทบโสตประสาทกระทบวัณหลูปมากระทบ จกขูปมาบาตาเราเห็นเพาะวันลลูกไม่เห็นลูกอื่นนะรู้ไวระน้าข้นอ่กันละรูไว้ยกระหน้าันละลูปเห็นสีงมันตาเห็นสีนี่เป็นรูปธร ร, ร ม, มรรความรู้ในสีนั้นคือจากขุดิญญาหรือโตอิยญญ์ญอันกำหนดไปเสียงเป็นนามธรรมาเป็นนามลูปคือไม่ใเสีนั้นจะนโลด้วยและตาก็เป็นโลกแต่ความรู้น่าจะนามใช่ไนานใครับเป็นนามเนนามดับไปเสีน้ดับไปขณะห น, น, นึ่งามรู้ก็ดับไปนี่เรียลว่าตาแ้ก เป็นวัฏฏารอบหนึ่งครับเกิดดับเกิดดับบันี้เมื่อหากท่านมีความทึกอีกขึ้นมาว่าการรู้แบบไหนในส่วนนี้การไม่รู้การไม่รู้ในลักษณะใดในส่วนที่ตากิดขึ้นนี้จึงสิดอยู่ในวัฏฏการที่รู้ในส่วนนี้ในลักษณะใดจี่หลุดออกจากวัฏฏาได้ออการคือการรู้ที่ว่าขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้ขึ้นหากยังว่ายังมีอัตตาอัจตริยะอยู่ในใจ นี่ถึงว่าเราปัิบุคลลกรู้ปัิบุครเห็นปัิบุครได้ยินอย่างนี้เป็นส่วนวัตตะเป็นวัตตมูละและขณะที่กําหนดอย่างนี้เราไม่กําหนดว่าเป็นฝัดเป็นบุคลเป็นราเป็นเขาอันนี้เป็นวิวตะส่วนนี้เป็นวิวตะครับวันนี้เมื่อหาเขายกภาพขึ้นสองภาพว่ามีีวัตถุชิ้นเดียวกันมีม้าอยู่ท่านหนึ่งยกขึ้นมาว่าท่านหนึ่งนั้นน่ะเมื่อหากแยกออกเป็นสองท่าน บุคคลผู้ศึยู่ในว่ฏจักรมีความสําคัญว่าสินี้เป็นสองท่นส่วนบุคคลที่ออกจากวัฏจแล้วมีความเห็นมีส่วนนี้ว่าเป็นอย่างไรว่าไงครับผมฟังไมาา่ชัดคือหมายความว่ามีไม้อยู่ท่านหนึ่งแต่ค่าย่าเป็นสองชิ้นมาออกาเป็นสองชิ้นไม้ท่านหนึ่งไม้ไม้ครับผ่าเป็นสองชิ้นไม้ละท่านหนึ่ง มีมีมีไม้แค่หนึ่งเมื่อหากพ า, าเป็นสองขึ้นเมื่อหาเขาถามขึ้นมาว่าผู้ติดอยู่ในวัฏจะย่อมมีความหมายในส่วนนี้ว่าเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันแต่ส่วนผู้ที่หลุดออกจากวัฏจะแล้วมีความหมายในสัน่งในในส่วนนี้ในลักษณะใด พูอยู่ในวัฏฐะพุดออกจากวัฏฐะเห็นไม้ผ่าเป็นสองชิ้นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรใช่ไใช่ไหมมีความรู้สึกต่างกันอย่างไรมีความรู้สึกต่างกันอย่างไรนะครับที่เห็นไม้ผ่าเป็นสองชิ้นนั่นเลยฮะที่เอาไม้ผ่าเป็นสองชิ้นใหดูใช่ไหมฮะรันพรแล้วก็ถามว่าสองคนนี่มีความรู้สึกต่างกันอย่างไรเลยฮะรันพรต่างกันสิครับคือว่าในความรู้สึกของคนที่ยังอยู่ในวัฏฐะน่ะถ้าเห็นไม้ผ่าเป็นสองชิ้นถ้าหากว่าเขามีอะไรในไม้นั่นอยู่ก็เป็นที่ตร้างแห่งอุปาญาตความโทมนัส ก็เด็เสียไปแล้วคนที่หลุดจากกัฏะแล้วก็ทํามีพลังกุเบศขาคนที่ยังไม่าาหลุดจากวัฏฏะนังไม่มีพลังกุเบศขาคือหมายเพราะว่าถึงแม้จะรับรู้อารมณ์นั้นอยู่แต่ไม่มีความสําคัญในสิ่งนั้นใช่ไหมใช่ครับสวนบุคคลผู้ที่ติดอยู่ในวัฏะหมายถึงส่วนผู้ที่มีความสําคัญในอารมณ์นั้นใช่ไหมใช่ครับวันนี้ก็มีความหมายต่อขึ้นมาว่าสําหรับการที่ประกาศศาสนาของชาวพุทธเราอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งมีเรื่องคิดว่างมีเรื่องคิดว่างกับส่วนที่พวกหนึ่งเห็นว่าไม่ว่างดังที่เรามีการติดเสียงกันอยู่เมื่อหากเมื่อหากคำหมายแห่งความว่าว่างในพัศนะที่มีการยักษันประกาศกันอยู่นี้โดยที่รับรู้อารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในปัจจุบัน แต่เมื่อหากคณะชีตของบุคคลผู้นั้นก็รับรู้ว่าส่วนนั้นเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้หมายใครว่าละแล้วจากความเห็นว่าเป็นอะไรกันอยู่อันนี้ก็เป็นผิดในทางพุทธศาสนาหรือเปล่าเรื่องว่างนะฮะเรื่องว่างนี้นะผมได้อธิบายไปแล้วนี่ครับว่าคนส่วนหนึ่งเข้าใจจิดในเรื่องว่างคือว่าญาตไปแล้วก็อดถึงกล่าวที่ตัวบุคคลไม่ได้ยังกับท่าพุู้สัมภาษณ์นะท่าแสดงเรื่องว่างท่านพูดดีท่านเข้าใจพูดพูดว่างนะที่ว่างจากโลกโกรธลงมว่างจากสิเล ถ้อธิบายยี้เข้าใจง่ายผมไม่เข้าใจความผิดนะครับที่ท่านอธิบายเรื่องว่างเเข้าใจเข้าใจดีทีเดียวหมายถึงว่าคำว่างไม่เป็นพิเสธว่าผิดไม่มีอะไรท่านพพเียงแต่ว่าผิดจะว่างจากกิเลสอย่างอย่างที่หมอผ่าเป็นตะพางคาวิมุตต์ก็ว่างส่วนประเดียบกระดาษในขณะที่ข่มอารมณ์ได้บางขณะถ้าเป็นนิจรณะวิมุตต์หรือสมุสมเชษคาวิมุตต์ก็เป็นการว่างจากโลกส่วนหลงโดยสิ้นเชิงไม่น่าจะผิดแปลอะไรนี่ เ ร, ร, ร, รื่องจิตว่างที่กานแสดงนี่นะฮะถ้าพิจารณาตามเนื้อหาของผันเนี่ยคราวนี้ที่จะเข้าใจจิตเนยก็เพราว่าไปไปเจอปัญหาว่าจิตเนี่ยไม่มีอารมณ์เลยเนี่ยมาพิเศษว่าจิตไรอารมณ์จิตไม่มีอารมณ์ตอนตอนี้แหละนักศึกษาที่ทำฟังแล้วก็ไม่ใครจะจกใจเพราะเห็นที่ว่าขัดนรกในสภาวะนักศึกเพราะว่าท่านจะพูดถึงวัด คิดไม่เคยมีอารมณ์ซะ เ, เลยอยู่ที่ไหนบ้างผมก็จำไม่ได้จะพูดหรือเปล่าก็าไม่รู้เพราะนั้นที่จางยากเรื่องนี้นะที่พูดยู่คนตัวเขาบุคคลเขาได้ก็พูดในหลักกลางกลาถ้าว่าตำแหน่งอภิธรรมถูกแล้วมีตาแหน่งอภิธรรมนะผมมีคนกลางกลางไม่เข้าใครออกใครอูอ่กลางกาเราเรียนรู้ธรรมะมากๆเรียนรู้พุทธศาสนานานาๆกายไม่ติดมีกายเพราะเราเป็นชาวพุธเราต้องเรียนรู้ธรรมะทุกๆมีกาย เา้พุิจารมรู้สึกมกายรู้สึกพิจายพุธมีกายไม่สิมีกายเต็มหรือมหายาินยามใติดใครไปติต็กาเราก็งถือว่าห่าย่าง่าเนี่ยตวัาถิิกยานี่นักศึกษาพุกาต้องนัดีต้อติกายอยนนี้สำคัญที่สุดถ้าไปติกายแล้วมีกายบางอไไม่เข้เถึงคือว่าเราไปติดมกายเอ้มหายาไม่ใชู่้เ่าไม่ศึกษาศึกษาแต่หินายามก็พอแล้วมหายาณมันเป็นความในยเลกเลยของดีๆในมหายานมีเยอ เราอดศึกษาไม่ไม่มีไม่มีทางจะมาเปรียบเทียบกับธรนมะในวิญญาณได้หรือไม่แต่ในมหาญาด้วยกันเองอะมหายานจะเข้ามหายานะมีหลายสิทธิกในกายอะมหายานหลายสิทธิ์ใายแต่ละในกายแต่ละในกายต่างขาบอกว่าของท่านอะดีที่สุดของนิกาอื่นเราไม่ดีของท่านอะดียอที่สุดนิกายอื่นสู้ท่านไม่ได้วิญยาณก็สู้มหายาณไม่ได้เขาว่า พวกนี้ก็เรืศึกษาิญญาไม่รู้ธรรมะิญญาเอไอว า, ายพิญญาใจับแค็หน่งเป็นอารอังหนุ่เป็นผู้ที่สัตว์ลตีพิญญาพิญญาก็เตีนตีมหาญาติมหายาติน่ะเอาเรื่องาาขาพรมาใส่เยอะแยะที่ไหนมีหนุ่ต้องเตนตีตองเต็ตตงองะไรก็ไม่รู้กินข่เย็นหรือว่าวนนอะไรเลเซนตีลู้นิการเลวไปตรงลูกธรรมะทั้งสองฝ่ายกันเลยความจริงจะว่าเป็นมีการอาจะตามเถอะเป็นลูกศิกษย์ตเจาวก็มาน่าจะขยนติดตยแล้วเรากราบได้ทั้งนั้นมันเป็นสุภสิณโนหมด เจอมาหาใหญ่ารับถืม่พูดไมไหลเขาเอาพูดต่อศาสนากันเลยนะนี่นะครับอันนี้เขาจะนั้นการเราที่จะไปนักศึกษาที่ดีอะยาไปทั้งกัดมีกายต้องศึกษาพุทธมีกายศึกษาธรรมะและมีในพุทศาสนาแล้วความรู้เราจะแยงกวางใครมาจับสติหมายเราก็ออกนี่ธรรมะจากในกายนี่ธรรมะมาจากในกายโน่เรารู้เพราะนั้นอย่างึงเนี่ยผศึกษาพุทธมีกายเลยที่เอไปดูคินยาณอ่านถ้าไปนี่ตีหายาณก็คุ้าอ่านหมดแล้วเราก็ตถึงได้ ว่าอันไหนพออันไหนเป็นของปล อ, อมาทีหลังอันไหนเป็นพุทธธมติอันไหนเป็นมัตติขเขาเจอทอาจารย์แล้วก็รูอ้อย่างประเด็นนี้ว่จิตไม่มีอารมณ์ก็เลยประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้ต่างมาเป็นมติของคณาจารย์ในกายเซนคณะหนึ่งนี่กายเซนน่ะมีหลายสวกแบ่งหลายสาขาแล้วแต่ละสาขาไม่ใช่ถึงพ้องกัหมดนะว่าจิตมีอารมณ์เป็นเพียงคณะหนึ่งก็แล้วเองอะคณะหนึ่ง คณะหนึ่งคณะนิจินคณะอาจารย์ฝ่ายใต้นิการเซนฝ ar, mhm. ่ายใต้แล้วก็เทิทินฝ่ายใต้เซนฝ่ายเหนือไม่ยอมรับประชิเไม่มีอารมณต้องมีอารมณ์สิไม่มีอารมณ์ไม่ได้ไม่มีอารมณ์ไม่ใช่จิตนี่เนฝ่ายเหนือเาว่าไงเนฝ่ายใต้าว่าจิตต้อไล่อามให้หมดแล้วนั่นอย่านพุทธะพุทธะพุทธะภาพอยู่ที่นี่วางนั้นนิการเ็นฝ่ายใต้ได้นั้นนะครับแต่นการเซนฝ่ายเหนือไม่ได้จิตต้มีอารมณ์ไม่ได้ขึ้นตัวจิตต้องมีอารมณ์ นกายต้นไปเนือก็เข้ากับพวกิธรมในเมืองไทยเราหลังพิธานในเถรวาทใเมืองไทยหรอกเถรวาทว่าจะว่าองยพิธมในเถรวาทนี่แลก้วาว่าจต้องอารมณ์นี่กายมาเต้นไปเหนือก็บอกจิตมีอารมณ์แล้วก็นิกายมาหายานบอกนี่กายโยคาจานนิกายธารลักษณะนะแล้วก็นิกายมาธยิกรอันเกายสำคันในพิทสกัดน้หายาก็บอกว่าจิตมีอารมณ์เท่านั้น มีแต่ร่องกายเป็นฝ่ายใต้ยท่านั้นที่บอกว่าจิตไม่มีอารมณ์ปัญหานี้จึงไม่ใช่ปัญหาใหม่เขาเถียงกันมานานแล้วพันพันตีแล้ปัญหานี้พันพันตีแวเรื่องเก่าเล่าใหม่ครับร่นี้ครับม่เงกว่าจิตเดินถ่าเหมือนกันว่าจิตประทัสนที่คุณหมอว่ากังศักดิ์สิทธิแปลมาหมาจิตัสนี่แหละเป็นจิตบ้างละปัญหานี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเกิดในเมืองไทยเร็วๆนี้เรื่องกับว่าอินเดียโน่น นิกายาาตกนในอินเดียมนะีนัยนะนัยบ่งวกลายในอินเดีย18ทธนาาิกายในอินเดียเนี่ยครูเจามีานระลอกทีพุทธศาสนาฝ่ายมีนัยยของเราเแด่งเป็น1ินิกลายบ้าินิกาย18นิกายก็มีนิกา ย, นายใหญ่คือนิกลายมหาสังิกนิกลายมหาส็ิกาบอกว่าดิมท้บริสุทธิ์เราะาไม่ติดตังที่เวเนี่ย ดูกองที่สุดทั้งหลายทรไมพลาดิตกระพับสอนนี่กายมาเอากาให้แประพับสอนละแป่บอกว่าบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์รอจิตว่างบริสุทธิ์ใจด่างเล ม, มาเลยทีเดียวที่คุณหมอไปกับเขาว่าจิเลศถ่ายหลังมาจอดข้นมามีหวังอีกนี่กายหนึ่งครนกายสรารวาติานนาบบาว่าคุณพิมา์นัยน์รู้ักนี่กายสารวาติว่าบอกไม่ได้ไม่ได้สำวางนี้ผมไม่รู้สากรรมมาท่านละแย yeah, yeah, กแยกคำสารกรรมกันเราแยกพูดกันดีกว่าผมไมเห็นด้วย คำนี้ไม่ใช่กรกระติกบริสุทธ์คำนี้หมายถึงแต่ว่าไม่มีวีรวามามาเคลื่อนแสงนั่เองเป็นพลังกระตเหมือนอธิพงศ์สิระวะนี่มีกายสัาวาบิวารมาหาตอิที่จักสัตว์บริวารจะลงไาทะเลาะกันในเรื่องในเรื่องติดติดบริสุธหรอไม่บริสุทเทเาะกันเรือเพราะนั้นปัญหาเรื่อนี้พิจารณาไปแล้วเราศึกษาพิจารนาพิจิตติกแล้วเป็นเรื่องหน้าอกคือไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเขาผูกพิ้งเราสได้ยินเดียข้างกันนู้นแล้วรับเป็นอย่างนี้ครับ วันนี้อาตรรมายกขอถามหเรื่องหนึ่งคือว่าธรรมามาที่ได้มาศึกษาอุทธรมนี่แหละมาที่หลังเพื่อนเพื่อนนักศึกษามาสมัครที่เมื่อวันที่หนึ่งันวานเนี่ยคือมามาอ่านดูแล้วก็มาอ่านถึงธรรมนิจเนี่ยบึ่งมาอ่านถึงธรรมนิจมีความที่เกี่ยวกับเรื่องขันห้าแต่ฉัมาว่าพยา่องขัดจิตพยายามขัจิตนี้หมายถึงจิตที่เนืออายเรามันเป็นส่วนดีที่มีในที่ที่ท่านเขียนไว้นั้น บนรุษอาตมาอยากจะขอถามว่าเมื่อขณะใดสิตเริ่มลงสู่พระวังคืนนี้ได้ขึ้นสู่วิถีส่วนเป็นอติมขันตารมรับรู้ส่วนใดสิ่ง้างปันกจวานนั้นจะควรเรียกว่าในขณะจะควรเรียกในขณะนั้นว่ารูปนั้นเป็นขันห้าได้หรือไม่ ในขณะใดที่จิตไม่ขึ้นอารมณ์อยู่ในขวางขณะใดจิตที่ล้ยหลงสู่พยังโน้นลงสู่วขวังขณะนอ น, นหลับในขณะที่นอนหลับนั้นจะเรียกว่ารูปนั้นเป็นขันห้าได้หรือไม่รูปนั้นเป็นขันห้าได้หรือไม่รไรไมรครับเป็นรูปอะไรเขาที่ขันไว้ี่นี่บอบุคเรยที่นอนหลับ น, น, บนั่นแหละหรือไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใชาอช่ใช่ใชาใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใใช่ใช่ใ่น่่่ ตอนนี้หมายค่าว่าหมายค่ว่าเชนี้เมื่อหากนามนั้นไม่ขึ้นสู่วิถีองค์ขอส่วนที่เป็นขันห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วไม่ได้มีปรากฏแม้แต่ประการใดถ้ารับแรงว่าส่วนนั้นเป็นขันห้าจะไม่ผิดกับพระดำริของพระพุทธเจ้าหรือว่าขันห้านั้นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ๋อทำไมท่านบอกว่าขวางขจิตไม่มีสัญญาเวทนาเลยครับมีสิครับมีไม่ใช่วไม่มี ขันหามีพร้อมท่านทุกขณะเลยตราบแต่ังไม่ถึงอุปาปาสิเตสัอิพานแล้วตราบนั้นแล้ก็ขันหามีทุกขณะไม่มีว่างเลยรครับนอกจากในสิในปฏิสุทธิในจตุการและเอกวการซึ่งมีตามภูมิทามก็ขันสีกับขันหนึ่งถ้าอยู่ในจตุการแล้วไม่มีขณะอะไรระหว่างขันหาเลยไม่มีเลยคือคือคืออาจจะมามีความสงสัยทีนี้เช่นมาดูในส่วนมโนมโนคิดเหรอมโนฤทธิคิดเหรอ มีคำหนึ่งที่ตาเกิไว้ว่าเป็นอวิภูตาลมอวิภูตาลมเจริญพรคือคือมีอารมณ์ที่ไม่ปรากฏอันนี้อาจามาเลยมาชิดในควาหมายของตัวเองว่าขณะใดอารมณ์ที่ไม่ปรากฏนั้นเรีนาอารมณ์ไม่ปรากฏอารมณ์ข้างนอกมาไมมากระทไมมาปรากฏแต่ว่าอารมณ์ข้างในที่พยายถึงอากรรมนิมิตกตินิมิตเป็นอารมณ์มีอยู่นี่มีอยู่นี่ครับสัญนณะานยลนะครับเป็น ประวัติจาพนะเจรัสิกเนี่ยมีทั่วไปเป็นภาษาธรรเราจจิญทุกดวงนะทั้งอักขุนทั้งอภิยานตาคังอุศนนะเนี่ยทัญยานวทยาเนี่ยหายถงาษาพานพะวังปัจิตนี่ไม่มีความลักษณะรับรู้อารมณ์ใช่ไหมมีครับมีอารมณ์พระวังปัตจิตมีมีลักษณะที่รับรู้อารมณ์ที่มากระทบแล้วเราเรีนจอมมิมิตอารมณ์กรรมกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์ปฏินิมิตอารมณ์อันใดอันหนึ่งไดะวัง ไม่เคยอ้าจาอารมเลยในพลางก็ยางมีอารมณ์สามอย่างอันใดอันหนึ่งนะครับเช่นเช่นเมื่อเวลาคนนอนหลับเขาไมีต้งมีอารมณ์อารมณ์ของพังเองคือกรรมนิคิตคตินิมิตแต่แต่นี่หมายความว่าอารมณ์ในปัจจุบันที่ตาขอดไม่ได้ใช่ไหัยนเลย่นแต่อารมณ์ในพลังเองใช่ไหมใช่ฮะอารมณ์ในพลังคืออติตาอารมณ์จะต้องในขณะที่ในบรรดาสนวิีในชาติก่อนเอามาเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวกับปฏิพนที่ อันนี้เป็นปัญหาที่หอาตะมาได้มาอ่านแล้วก็ทำความหมายแล้วเกิดขึ้นในใจตอนนี้ก็รู้สึกว่าในตามกระจ่างในเรื่องเกี่ยในเรื่องเกี่ยวกับพวาวังนี้ดีแล้วครับที่ขออยู่ถามปัญหาถึงที่ น, นี้ครับครับขอบคุณนะทน่อนผพาทท่านเข้าใจเรื่องจิตว่างท่านเข้าใจโง่จรครับผมอ่านหนันงสือทาพิจารณาหลายลแล้วก็ไม่เห็นท่านพูดเลยเป็นผิดพาดอะไรเลยที่ท่านบอกว่าจิตว่างน่ะคืหมายถึงว่างจากรูปสตดเลงท่านเล่นํานี่เนี่ย ว่างจากลกดหลงที่หมายว่าอย่างหยาาร้งกวาอะไรงอ่ะกินด้วยจิว่าให้กินด้วยติตว่าเของท่าน่ยคงจะหมายคมว่าให้กินด้วยที่ไม่มีกิเลสนังอย่างเราาปฏิังขาอกินไม่จะตกแต่งพเหิวไม่จะไปี่จะบำเรียนกางกินดวิ่าด้วยจิางจากลกดหลงกัมั้ปฏิทังขาอยู่นี่แหละกินด้วยจิว่า ถึงดาวน่ะเพราะว่าเร้อปฏิหารน่ะกูคงจะทงานด้วยตทุกคนอามมถเราถึงเขาอ้ไหมไม่ทนีละถ้าเป็นถ้าทจิตว่างอย่างทีุ่าว่านะ ก็ต้องอยัางามก็ต้องมนโสดาบันขึ้นไปว่างว่างการขั้นคูมขังท่านไม่่า่แล้วคือพระอนุ น, นว่างจากวิจฉาที่ฐิท่านจะว่าไปแล้วนะว่างจากมิจาทิฏฐิว่างจากศีรักษาธรรมาภ นอันเป็น <favorite> พ <item urry> <alia> ุมพองตัดาแต่ที่ร่าห้เนี่ยถ้าอูลเพราว่าราคาัดายยังไม่ได้นี่หลัราว่าราคายังรักไม่ได้ยารคือการตาการติดการรัพุทธองค์เนี่ยมีอยู่ต็ก็ในดวงจิตเพราะฉะนั้นที่รลาห้่าห้ไปรักพุทธเจ้าว่างจะครอบครอท่านคือว่างจะกรกักะมากว่างจะเออเออเที่ส่าำท่านคืคุณจะไปทำลองนะเข้าใจว่าเป็นความว่างของสักจะที่สิิอย่างั้นใช่ั้ม คือว่าค่น า, า, า, า, านร้องไห้าหมลร้อหาิต่าเยร้องไห้ได้แต่ว่าสงสัยอยู่ว่าารที่ร้องไห้น่ะท่านไม่ได้ร้องไห้โดยอุศนบางอย่างนีเข้าใจว่าในขณะที่ร้องไห้น่ะอุสนโคตรได้เกิดข่ายนี่โคตรจด้คิดได้เกิดก็โครได้นี่ครับเกิดได้ถึงโทตรมูลามูลยังนีแต่ดูอุปสนแตรดนะดูภามูลละไ้จเข้เาที่จินยานวิจิตร ละได้เพอาะนั้นในการล้องผ้าทางบ้านนอนก็คงไม่ใช่ล้องผ้า็กจิต ว, ว่างๆอย่างนั้นนะไม่ใช่ล้องห้าไม่ใช่จิตล่องห้าเดจิ ว, ดว่างเละ